คนไม่มีสีลไม่มีเครดิตพอไม่มีเครดิตนะไม่ได้รับความเชื่อถือนะโอกาสจะประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงอนะไรนี่ยากฉะนั้นเราต้องมีเจตนานะงดเว้นการทำผิดทำบาปทางกายทางวาจานะต้องเจตนา ง, งดเว้นตั้งใจไว้เลยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทำผิดสีน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 พวกพระก็รีบมาส่งข่าวให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระเทวทัตกําลังเดินทางมาแล้วนะกำลังจะมาเฝ้าเพื่อว่าจะมาขอขมาพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็เลบอกมาไม่ถึงหรอกนะรเทวทัตนี่มาไม่ถึงบาปมากมาไม่ถึงนะพวกพระก็คอยไปสืบนะโ่าตอนนี้มาถึงประตูเมืองแล้วพระเจ้าข้ามาไม่ถึงหรอกนะตอนนี้มาถึงประตูวัดแล้วพระเจ้าค้าไม่ถึงหรอกนะ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 ปณาติบาตทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตวนะ์ข้อสองลักทรัพย์เขาช่อโกงเขาข้อสามประพฤติผิดในกรรมเนสะสัมมาวาจาข้อสนีะ่สัมมากรรมันตะข้อหนึ่งสองสามสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราต้องเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์นะจนไม่เป็นไรความจนไม่น่ารังเกียจความโกงน่ารังเกียจ เราอย่าปล่อยให้ค่านิยมเร็วๆเป็นครอบงำเราทุกวันนี้เราถูกเสี้ยมสอนให้เร็วหนักขึ้นหนักขึ้นให้เห็นความเร็วเป็นเรื่องปกติอย่างนักการเมืองบางคนมาสอนพวกเรานะว่าโกงไม่เป็นไรคอร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้มีผลงานนะนี่สอนสิ่งที่เร็ว้ายให้เรานะเราต้องไม่เชื่อฟังนะชาวพุทธเราต้องสะอาดนะในการดํารงชีวิตนะในการจะอยู่การจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดพอ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 แต่ตามเห็ุเนี่ยต้องตามด้วยใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไปได้ตอนฝึกสัมมาสมาธินะนิดนให้มีสมาสตินะสัมมาสติค่อยมีสตินะเบื้องต้นมีสติตามรู้กายหายใจออกคอยรู้สึกหาใจเข้าคอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเหลวซ้ายแรงขวาคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เอง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 นะขนาดนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคือคําว่าตามรู้นะตามรู้เนืองๆดูบ่อยๆรู้บ่อยๆมันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเห็นก็คอยดูมันนะคอยรู้มันนี่เรียกว่าตามรู้นะแต่การรู้เนี่ยจะต้องใจตั้งมัน่นถ้ารู้ตามจิตไหลไปนะเจะปัญญาจะไม่เกิดเดี๋ยวจะไปเรียนเรื่องมรรคตัวสุดท้ายคือสมัธนะินั้นหน้าที่เรานะร่างกายเคลื่อนไหวเคยรู้สึกมันเคลื่อนไหวอยู่แล้ว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 ตามรู้เนืองเนืองนี่ทําให้เกิดสตินะพอรู้บ่อยๆจิตจะจำสภาวะได้แม่นนะอย่างเราหัดขยับตัวแล้วรู้สึกขยับตัวแล้วรู้สึ ก, ว, ว, สกวันหนึ่งเราใจลอยพอใจลอยปุ๊บเราเกิดขยับขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกขึ้นเองนี่สติตัวจริงเกิดละเกิดโดยมนะไม่เจตนานะไม่เจือด้วยโลภะนะเราค่อยฝึกไปเรืนะแล้บางคนดูเวทนาดูบ่อยๆต่อไปพอนั่งนั่งอยู่มดมากัดเจ็บปับ๊บสติเกิดเลยเห็น เวทนาเกิดขึ้นในกายกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะนี่เกิดสติขึ้นมาใจตั้งมั่นรู้สึกขึ้นมานะหรือเห็นกุศลอกุศล น, น, นะหัดดูไปเรื่อยกุศลอกุศล ไ, ได้เกิดขึ้นในใจค่อยหัดดูไปเรื่อยนะที่หัดดูจิตดูจิตนะหัดดูไปอย่า ง, ไงนั้นแหละในที่สุดก็ดได้สติขึ้นมารู้สึกขึ้นมากนะิเลสเกิดแวบบรู้สึกเลยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับนะกิเลสเกิดยังยังรู้สึกเลยนะ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 อรู ป, ประชาสี่นั้นสงเคราะห์เข้าในฌานที่สนีะ่เพราะมีองค์ธรรมเท่ากันมีอุเบกขากับเอกกกตานะเป็นเป็นองค์ธรรมหลักคืออุเบกขากับเอกกัคตางั้นสรุปก็คือฌาน8ดนั่นเองนะแต่ถ้าพูดอย่างปริยัติท่านอธิบายด้วยฌานสี่ทำไมต้องเป็นฌานถ้าไม่เข้าฌานไม่เป็นสมาสมาธิหรือท่านอธิบายฌานสี่สมาสมาธิด้วยฌานสี่เนี่ยเพราะท่านพูดถึงสมาสมาธิแท้แท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 ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยท่านหนึ่งไปอธิบายด้วยชาญแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยขั้นบุพเพพาคมมัคขั้นเบื้องต้นของมัคมัคเบื้องต้นยังไม่ใช่อริยมัคเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จาเป็นว่าจะต้องเกิดอัปปนาสมาธิถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิทำอัปปนาสมาธิไม่ได้เราใช้คณิกะสมาธินี่แหละสมาธิเป็นขณะขณ น, นะคอยรู้ทัน จิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันรู้บ่อยๆนะนจะได้สมาธิเป็นขณะขณะเพราะในขณะที่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านจะไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่ไม่ฟุ้งซ่านขณะนั้นแหละมีสมาธินะได้เป็นขณะขณะไปยิ้นบางทีหลวงพ่อบอกพวกเรานะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปเรารู้เผลอไปนั่นคืออะไรคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองเะฉนั้นจิตฟุ้งซ่านไปเรารู้ทันจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันมิจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันจะอยู่กันเนื้อกับตัว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 ในขณะที่จิตมีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธนั้น um an เป็น Alicia อดีตไปแล้วนะความรู้รู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะเป็นปัจจุบันนะความโลภเกิดขึ้นความโลภเป็นปัจจุบันนะสติรู้ว่าเมื่อกี้โลภโลภเป็นอดีตแล้วจิตที่มีสตินี่เป็นปัจจุบันจิตที่มีสติเนี่ ย, จจ ม, ม, ยมันเกิดตามหลังจิตที่มีกิเลสนะเพราะงั้ น, น, นตรงที่มีกิเลสเนี่ยดูไม่ได้เพราะในขณะที่กิเลสเกิดเนี่ยสติไม่มีนะในขณะที่มีสติไม่มีกิเลส งั้นการที่เราเห็นว่าจิตมีกิเลสเนี่ยเราเห็นตามหลังทั้งสิ้นนะเพั้นการดูจิตนี่นะจะตามแต่ตามแบบติดๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เรียกว่าปัจจุบันสันตตินะเพราะว่าห่างไกลมากนั่นเป็นอดีตสันตติแล้วนะไม่ใช่ปัจจุบันแลเพราะฉั้นการดูจิตนะเราดูแบบติดๆเลยโกรธขึ้นมาก่อนรู้ว่าโกรธนี่เห็นหางความโกรธไหวๆหายแวบ ไ, ไ, ไปต่อหน้าต่อตานี่เห็นหางมันเท่านั้นไม่เห็นตัวมันหรอกนะ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 นะแล้วก็หาดู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจนกระทั่งสติมันเกิดแล้วก็ฝึกจิตไปจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้สมาธิก็เกิดในที่สุดก็มีสมาธิมีสติรู้รูปรู้รนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมันนงงม่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตมีสมาธิเมื่อมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากพอปัญญาจะเกิดจะเห็นแจ้งว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วน